เรื่องภิกษุรูปหนึ่ง193สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งบวชจากกรุงราชครืดได้เดินทางไปตระกูลญาติพวกชาวบ้านถวายพระทหารด้วยความดีใจว่านานๆพระคุณเจ้าจึงมาภิกษุณีผู้ใกล้ชิดตระกูลของตระกูลนั้นได้กล่าวกับพวกชาวบ้านดัง น, นี้ว่าท่านทั้งหลายจงถวายพระทหารแก่พระคุณเจ้าทีนั้นภิกษุนั้นมีความยำเกรงว่า พระผู้มีพระภาคทรงห้ามภิกษุผู้รู้อยู่ชั้นบิณทบาทที่ภิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียมจึงไม่ยอมรับประเคนไม่สามารถไปเที่ยวบินทบาทได้อดอาหารครั้นไปอารามจึงบอกเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นจึงได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ